องค์ไดพระสัมพุทธไพเราะมากกับรายการที่ผกแต่งไว้เราลองแล้วเราก็รู้สึกตัวเสียงหรือโทนของเสียงจะค่อยๆทําให้เรารู้สึกตัวดีและรักษาความรู้สึกตัวไว้ได้ด้วยต้องทำในใจให้ดีก่อนเราลองๆอยูอ่ทุกคนจําได้ดีใช่ไหมครับองค์ใดพระสัมพุทธใครจําไม่ได้บ้าง ผมก็จําไม่ได้เ <laughs> <N> พราคิดจะร้องเพลงก็คุยกันทันทีเห็นไหมเรืออารมณ์เราไม่เหมาะที่ร้องเพลงครับงั้นยกมือต่อไปเรืออารมณ์เราไม่เหมาะที่จะทําอะไรดีๆเรามักจะฟุ้งซสีย ก, ก่อนทุกทีสังเกตลครับ พอผมแกล้งเดินเลยนี่เดียวมีเสียงจดแจ๊จอดแจ๊บขึ้นมาทันทีคือพอ ม, มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราจะฟุง้งนันแสดงเราไม่เหมาะสมทำต่อไปครับจนกว่าความสึกโจมันแน่าหน้าขึ้นสักศิษย์ขึ้นจริงใจขึ้น พวกคริสเตียนเขาร้องเพลงกันมากครับเพลงเข้าใจรักด้วยบีดีด้วยนะฮะชวนให้มีความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตะเพื่อนมนุษย์ เราลองได้อย่างนี้นะครับแสดงเราเริ่มมีอารมณ์ที่ที่ดีแล้วไม่ตเตลิดเข้าใจั้ยครับอ้องลองตามผมนะดู Sapanyu, Prakusungkarun, Ratam lom l e kun. พระทรงนาบุญของปวงชนพระรัตนไตรัยอยู่ในดวงกระมนของทุกคนกระมนของทุกคนทุกชน ทุ่งทรจะเบิกบานเรื่องเรื่องรัตมีสานจักรวาลชีวีนี้อัมภัยด้วยสัตว์จับติน ที่วันอันนี้ให้เพื่อชีวิตใหม่ในพระองค์การควบคุมอารมณ์ได้นะครับหมายว่า จบสิ้นอารมณ์เรื่องนั้นพวามรู้สึกตัวจะกลับตกลงมาในตัวมันเองเข้าใจไหมครับคือพอเข้าไปในอารมณ์นั้นแล้วมันหลุดออกมาแล้วกลับมาบนฐานซึ่งป ก, กตดิดังนั้นการรองเพลงหรือทําอะไรเช่นนี้ยเป็นอาการไม่คลั่งบ้าทุกวันนี้เราเห็นคนหนุ่มสาวคลั่งดนตรีใช่ไหมครับห เด็กก่สาวไปคอนเสิร์ตฟังคอนเสิร์ตกันนี้เย่อย่กันมาผมเห็นนะเขาคลั่งเขาเขาไม่รู้จักดนตรีครับคนไม่รู้จักธรรมะก็จะคลั่งธรรมะไม่รู้จักดนตรีเนี่ยบ้าดนตรีทันทีครับแต่ถ้าคนรู้จักธรรมะไม่บ้าธรรมะครับรู้ตัวรู้จักดนตรีเนี่ยไม่บ้าดนตรีแต่ก็รักดนตรี เมื่อคนได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายแล้วก็พูดไม่หยุดปากแต่พอได้ลูกมาหลายหลายคนเฉยลงเฉยลงคือเริ่มรู้ดีว่าอะไรเป็นไ ร, รดังนั้นที่เรามาฝึกวิปัสสนาเนี่ยครับเราฝึกที่จะควบคุมอารมณ์เข้าใจไหมครับฝึกสติพลังของสติพลังของสมาธิที่จะควบคุมอยู่เหนืออารมณ์คําว่าอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้หมายว่าไม่มีอารมณ์ จะเป็นนักกระโดดข้ามรล้อไม่มีรู้วให้กระโดดเป็นนักกระโดดข้ามรล้อได้ไหมครับอืมจะเรามีม้าป่าตัวหนึ่งนะครับมันเถื่อนมากๆเราคิดจะเอามาใช้เห็นมันเถื่อนมากเราปืนยิงทิ้งก็เลยดตายเลยเสียม้าไปที่จริงเราเอามาเถื่อนนั่นเองมาฝึกเข้าใจไหมครับทีนี้พอมันเชื่องดีพลังมันยังเป็นแบบม้าป่าแต่ ว, วันนี้นิสัยใหม่มันเกิดนะ อารมณ์ที่เรามีนะครับเช่นเป็นอารมณ์ต่างๆนะที่จริงมันดีนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพลังที่ควบคุมฝึกปรือให้มันเชื่องเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะครับมันทำร้ายเรามากๆเลยเข้าใจไหมครัการที่ไม่มีอารมณ์เลยนั้นไม่ได้ครับคนไม่มีอารมณ์นั้นบ้าง่ายนิดเดียวนะครัรนั่งๆอยู่หรือปฏิบัติ เจรินสติไปทช่นี้เกิดว่างเปล่าขึ้นมาไม่มีอารมณ์ะอเดี๋ยววิกลจริตง่ายครับคือจิตมันจับอะไรไม่ติดเลยหลืวมันมั น, มนเป็นเมฆเป็นล ม, เ ป, นลมเป็นแรงไปหมดแบบคนที่เสียจริตเห็นไหมฮะบางทีก็เดินลงทะเลไปเลยมันจับอะไรไม่อยู่ดังนั้นเราต้องมีอารมณ์ครับแต่ก็อยู่เหนืออารมณ์เหมือนเราขี่จักรยานีย เราเดินก็เหนื่อ ย, อยไปที่หัวถนนนี่นะฮะมีจักรยานนั้นสะดวกขึ้นแต่เราอยู่เนือจักรยานเบินจักรยานยางแตกที่นี้สนุกใหญ่เลยต้องเข็นกลับเป็นภาระขึ้นมาดัางนั้นเราฝึกให้อารมณ์เราเนี้มีเพื่อเหมาะสมที่จะดำารงชีวิตอยู่ พวกเราต้องชอบที่ทํางานเลี้ยงชีวิตครับขยนันที่จะทํามาหากินซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแต่สมมุติวัานี้คุณเข้าใจผิดนะครับก็ถ้าโอ้ยธรรมะดีที่สุดไม่ทํามาหากินแล้วนอนปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนในสุดร่างกายมันต้องกินข้าวครับดังนั้นถ้าเราเป็นละกินเหลือ ด, ดื้อนี้นะครับมันไม่อยากทํามาหากินเข้าใจไหมครับ ผมเห็นเพื่อนในหลายคนทีเดียวล้มและเนรแนเพราะว่าเขาจะผิดจ่อสิ่งเร่องธรรมะเพราะฮั้นมาสนใจธรรมะก็คลั่งธรรมะทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ยอมทํางานองการทีนี้เมื่อไม่ยอมทำงา น, น, ย, งานยังต้องกินข้าวทั้งเบียดเบียนคนอื่นละอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแม้จะบวชเป็นพระสงฆ์หรือเนรหรือชีธรรมจารีนีที่จริงเราก็ยังมีอาชีพอย่างพระสงฆ์นึกมีอาชีพอะไรรู้ไหมครับหึ รับจ้างบวชไม่ไม่ใช่ครับไม่มีใครเขาจ้างอาชีพขอเข้าจครับขอเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าขออย่างผู้ที่รู้ตัวก็เรียกขออย่างอริยะครับเขาไม่ให้ก็ไม่โกรธให้มากก็ไม่ว่าอะไรให้น้อยก็เฉยแล้วก็ตอบแทนโดยธรรมะตัวเองปฏิบัติแล้วก็แนะนําผู้อื่นอันนี้เป็นอาชีพเรียกว่านักบวช คนเราต้องมีอาชีพครับอาชีพเป็นองค์ประกอบเป็นองค์มรคองค์หนึ่งเมื่อเราทําอาชีพไหนไต้องมีอารมณ์ครับไม่งั้นทําไม่ได้มันจะเป็นนักมวยเกิดไม่สู้ก้นมาเนะี่ยเขามไม่ให้เข้าสนามหรอกจริงไหมหรือจะเป็นศิลปินหรือเป็นทนายกก็ต้องศึกษากฎหมายเป็นช่างกลช่างยนต์ต้องมีความรู้เรื่องช่างกลช่างยนต์คือต้องมีอารมณ์กับมัน คมีความคิดนึกกับมันเข้าใจไหมครับถ้าความคิดนึกความรู้สึกเกี่ยวกับอาชีพนั้นมอยก็ลอกเวลาตีนี้ยุ่งแล้วครับมีคนเขาจะผิดมากในเรื่องนี้เช่นจะ น, นั่งสมาธเข้าจกนกระทั่งไม่อยากทํามาหากินนฮะไม่อยากอยู่ในบ้านในเมืองเข้าป่าอยู่ถ้าอยู่ถ้าพักหนึ่งร้อนใจเข้าเมืองอยู่เมืองร้อนใจเข้าถ้าวนๆกันอยู่อย่างนี้สังเกตดูไหมครับ มีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนั้นคลั่งธรรมะมากจนไปอยู่ถ้ำบวชเป็นชีโหมขาวแต่ว่าสองเดือนข้ามาทีมาขอร้องให้เขาพาไปเลี้ยงที่พัฒ ต, ตาคารผมฟังแล้วผมนึกขาในใจโอ้โหยนี่อยู่ขนาดอยู่ถ้ำนะผมเลยบอกเพื่อนคนที่เล่า้ผมฟังบอก ถ้าเป็นผมผมไปเหมือนกันแต่กินแล้วให้มันจ่ายดีไหมครับคนไปอยู่ถ้ำเก็ต้องวักน้อยจริงไหมอันนี้เข้าไปอยู่ถ้าเอาเชิงนั่นเองเพื่อจะกลับมาถล่มเพื่อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยครับอย่างนี้เรียกเป็นทอดอารมณ์ครับไม่ใช่เป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์ดังนั้นเราฝึกที่จะให้เราเป็นคนมีอารมณ์แต่ก็อยู่เหนืออารมณ์นี่คือระดับของ ในเบื้องต้นครับส่วนคำพูดที่ว่าไม่มีอารมณ์นะครับเช่น mm hmm. ที่พระเจ้าใช้คำอ น, นารมณังปราชจากอารมณ์ซึ่งเป็นที่สุดทุกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดกันพูดไม่ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยแต่ผมพูดในฐานะที่ว่าเราเป็น mm hmm. เป็นชาวบ้านใช่ไหมครับเราชาวบ้านใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราก็เหาะไม่ได้ สองวันก่อนผมมาผมท่าจะเหาะได้ครับคุณสีนวลไปหาผมเดินตัวเบาเพราะเป็นไข้แค่ค้ะจะเหาะได้จริงก็เหาะไม่ได้แล้วครับเหาะไปทำไมเดินเนี่ยสบายดีสมมติมีข่าวหรือมีคนหอได้จะไปดูคัคเนียผมไปไปนอนดีกว่าสบายดี มันจะมีประโยช น, น์อรฮอได้ต้องพาล้มไปด้วยฝนตกๆตเปรียงไอ้ความคิดแล้วเมือเพ้อฝันแล้วก็งมงายมันแฝงอยู่ในคนครับแล้วมักจะออกมาในรูปของความอยากมีฤทธิ์ท่านทราบไหครับอยากมีฤทธิ์ก็อยากมีอํานาจเหมือนันอื่นนะครับจะคนเจริญสี่แล้วมไม่อยากมีฤทธิ์อะไรครับมันไม่ต้องการฤทธิ์เดชอะไรนอกจากว่าได้กินข้าว หิวก็กินง่วงก็อ น, นอนคราวหนึ่งหนึ่งครับสานุนสิทธิ์ของสำนักหนึ่งนึ่งเขาจะไปทดลองอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยมีลิตรยอยู่ฝั่งนี้ให้คนถือกระดาษขาวอยู่ฝั่งโ น, น้นท่านเขียนปากกาฝั่งนี้ไปปรากฏตัวงสือฝั่งโ น, น้นและท่านมีลิตรอะไรเขาหรือเปล่าอาจารย์ผู้ถูกถามมาว่ามีเหมือนกันลิตของข้าคือง่วงก็อ น, นอนละ หิวก็ดืม่มกินละะหายน้ําก็ดืม่มเนี่ยลิตรก็อย่างนั้นเราไม่ต้องการผู้วิเศษนะครับเราต้องการเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์จะดีไหมครับทาคนสามัญคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่มีทุกข์พอแล้วผมว่านะดีกว่าเป็นพระเอกแต่ว่านอนก้นร้อนตลอดเลยล่นั่งไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุข ถูกรบกวนอยู่แทบจะทุกบ่อยนะครับดังนั้นเราเรียนรู้เพียงเพื่อจะเป็นคนธรรมดาครับเข้าใจไหมเราเรียนรู้สภาวะธรรมดาเพียงเพื่อได้รักสภาพธรรมดาในตัวเราฟังนิทานเซนเรื่องครับที่จะเชี่เห็นว่าชีวิตยิ่งธรรมดามัน มันง่ายได้อย่างไรนะครับที่วัดหนึ่งเนี่ยมีชาว บ, บ้านจะไปสวดมดนต์ตั้งแต่ตีสามที่ญี่ปุ่นครับเรื่องจริงนะเนี่ยชาว บ, บ้านผู้หญิงผู้ชาย ญ, ญี่ปุ่นก็สาเกียเกี๊ไม้นะครับทีนี้ที่นั้นวัดแห่งนั้นเป็นที่ลุม่มพระตกดึกใกล้สว่าง พวกห อ, อยทากจะขึ้นมาคลานเต็มทางเดินไปลงธรรมที่สวดมนต์ชาวบ้านมาก็เหยียบห อ, อยทากตายเกลื่อนทุกเช้าทุกวันพระรูปหนึ่งท่านนึกสงสารสัตว์ครับท่านเลยตื่นตั้งแต่ตีสามลุกขึ้นเก็บห อ, อยทากทิ้งสองข้างทางแต่ว่าท่านใส่เกีย๊ยดังนั้นดังโกเกะโกเกะนี้พระอีกรูหนึ่งกำลังหลับสบายอยู่ในะใกล้ลุ่ง ถูกปลุกด้วยเสียงเกี้ยก็โกรธรั่ลำคาญเขาลุกมาต่อว่าทำอะไรลุกคุณคนอื่นไม่รู้จักเวลัเวลาพระรูปแรกบอกว่าผมช่วยชีวิตสัตว์เถียงกันใหญ่ครับเพราะว่าพระองที่สองบอกว่าหอยชากเนี่ยมันกัดกินพืชผักของชาวสวนปล่อยมันตายเท่าเราช่วยชาวนาเนี่ยคุณไม่คิดบ้างหรือพระรูกว่าผมจะไปคิดอะไรผมเป็นพระรูปหนึ่ง ธรรมดาก็ต้องเมตตาสัตว์ผมแค่นี้ไม่ได้คิดมากช่วยชีวิตสัตว์เถียงกันไม่รู้จักยอมครับลุงชอก็ไปหาอาจารย์กันอาจารย์นั่งแล้วมีเนนคอยพัดวีให้อยู่ครับอาจารย์ถามว่าเจ้าทั้งสองมีเรื่องอะไรกันพระรูปแรกบอกว่าผมเมตตาสัตว์ผมเป็นพระธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นคิดว่าช่วยชีวิตสัตว์ได้ก็จะช่วยเม่ให้มันตายถูกเหยียบตาย อาจารย์บอกว่าถูกแล้วลูกเ อ, อ๋ยถูกแล้วเราเป็นพระเราก็ต้องทําอย่างนั้นแหละทีนี้พระองค์สองเขาเดือดขึ้นมาบอกว่าเราต้องคํานึงนึกชาวสวนชาวไร่ด้วยว่าหมายทามกับพืชผักของชาวสวนเพียงเราปล่อยให้มันตายทําไม่รู้ไม่ชี้เราก็เชื่อได้ช่วยมนุษย์แล้วเราไม่ควรเมตตามนุษย์อาจารย์องคหนึ่บอกว่าถูกแล้วลูกเ อ, อ๋ยเราควรจะช่วยถูกถูกทนว่าอย่างนั้น ที่นี่เนงมันคันปากกับทนไม่ได้เนงก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับสองข้อนี้มันขัดกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะปฏิบัติยังไงนี่แหะเพราะว่าจะเอาเอียถอยท่าออกจากทางเท้าหรือว่าไม่เอาอาจารย์หันมือทางเนนบอกมึงก็ถูกเหมือนกันลูกให้ถูกเหมือนกันเข้าใจมันก็คนไม่มีปัญหาเท่านี้ไม่เห็นอะไรผิดพลาดเลย เรื่องชนิ้นะครับดูแล้วเป็นเรื่องตลกร้ายค่าร้ายเหตุผลแต่ผมคิดว่ามีอะไรสาระลึกๆตรงที่ว่าหัวใจของอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่อยู่เหนือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทั้งสองคนและเนนเต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความคิดติดความคิดกันอยู่อย่างนั้น ดังนั้นเรามาปฏิบัติเช่นนี้นะครับเรากำลังปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือการคิดมันจะคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังคิดไปอย่างน้อนคิดไปอย่างนี้ตามใจมันเรารู้สึกตัวอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เข้าใจไหมครับไม่ช้าไม่นานคุณจะพบว่ามันเหมือนมีคนสองคนในร่างเดียวไอ้คนหนึ่งก็คิดไปเรื่อยๆตามเรื่องของมัน อีกตัวหนึ่งก็เห็นอยู่ตื่นอยู่ถ้าอารมณ์นะครับของเราขาดห้วนลงบ่อยๆเช่นกำังหัวรอมีอารมณ์สุขอยู่และทันใดนั้นความรู้สึกตัวก็ปรากฏขึ้นขั้นกลางมันก็ขาดออก ถ้าอาการชนนี้เป็นไปเองนะครับนั่นแสด ง, งความรู้สึกตัวของเราตื่นมากๆแล้วครับดังนั้นอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานเข้าใจไหครับอารมณ์เข้ามาเปรียบเหมือนคนลื่นเปียบเหมือนลมเข้ามากระแทกน้ํากลายเป็นคลื่นแล้วแผ่กระจายราบเรียบไปเป็นน้ำอย่างปกติสักเดี๋ยวก็เกิดอีกครับ จิตใจเรานั้นมีสองชั้นครับชั้นผิวหน้าซึ่งเป็นเรื่องราวของอารมณ์คิดนึกไปเรื่อยครับเนื่องจากเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมอย่างตาเราหันไปเห็นหรือหูได้ยินเสียงฝนอาจจะนึกถึงบ้านก็ได้ครับคนอยู่ระนองเนี่ยฝนตกปีนึงสามรอยกว่าวันคิดไปถึงบ้านวูบเดียวเท่านั้นเนองพะหูได้ยินนั้นคิดวูบไปและเห็นไหมครับมันมันไวถึงขนาดนั้ น, น, น แต่วความรู้สึกตัวสดๆนี่เปรียบด้วยน้ําในขณะที่กระแสความคิดเปรียบด้วยกระแสคลื่นซึ่งถูกเราจากสิ่งแวดล้องเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อเราเป็นน้ําอยู่ตลอดรู้สึกตัวอยู่พรามันเผลอเข้าไปเป็นคลื่นเดี๋ยวมันก็ตกกลับมาเป็นน้ําเข้าใจไหมครับมันก็ดีใจไม่ได้นานครับดังนั้นภาษาไทยนะครับดีอันหนึ่งภาษาไทยบอกว่าถ้าผมพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหม ดีใจเฉยๆเข้าใจไหมครับเสียใจเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นสมมุติใครมาว่าเราเราก็เสียใจแต่เสียใจเฉยๆก็รางวัลให้ดีใจเหมือนกันแต่ดีใจเฉยๆเข้าใจไหมครับเออเนี่ยมันแปลกมากคนไทยเห็นสิ่งนี้มานานครับจึงประดิษฐ์ถ้อยคํานี้ขึ้นร้องเรียกสภาวะนั้นได้อย่างแม่นยํา คนที่รักตายจากไปก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์เฉยๆเศร้าแต่เศร้าเฉยๆจริงั้ยครับเอถ้าคิดตามแนวของคนรุ่นใหม่ผมเศร้าแล้วจะเฉยได้อย่างไรเน่เหตุผลมันมีขึ้นมาทีเดียวแต่ว่าตัวสภาวะมันเป็นจริงดังนั้นจึงมีคำพูดว่าบุคคลของธรรมหรือบุคคลของเต่านั้นเศร้าแต่ไม่โศกสุขแต่ไม่สนุก เข้าใจไมครับเมือม่อเมื่อบุคคลที่รักจากไปหรือเกิดเรื่องที่เสียใจก็เสียใจยแต่ว่าเสียใจยเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านนะั้นในสมัยครั้งพุทธกาลมีคนสงสัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะฮะคือผู้ที่ยังเป็นปุถุชนนะพระสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนก็สงสัยว่าพระเจ้าน่าจะเป็นยังไงนะสภาวะของท่านจนภาษาลิบุตรต้องอธิบายให้พระสงฆ์ที่ไม่ยังไม่รู้ธรรมะเนี่ยฟังครับว่า ตาของพระผู้มีพระเจ้าเหมือนตาของเธอตาหูจมูกเดินกายใจเหมือนกับของเธอทุกประการพระองค์ท่านย่อมสวยอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งความสุขและความทุกข์เหมือนกับเธอเมื่อพระองค์ท่านสวยอารมณ์ที่เป็นความที่ตั้งความสุขพระองค์ท่านก็เป็นสุขแต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหวด้วยเมื่อพระองค์ท่านสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์พระองค์ท่านก็เป็นทุกข์แต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหวด้วย วันนี้เราเข้าใจพระเจ้าเนี่ยไม่มีอารมณ์ก็กลายเป็นหัวต่อนะเป็นพุทธรูปครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีพระเจ้าทรงตรัสนะบอกว่าเมื่อเราสอนสาวกสาวกปฏิบัติตามเราชื่นใจแต่เราไม่หวั่นไหวถ้าอย่างนั้นคือท่านดีใจนะครับท่านชื่นใจทีเดียวคนธรรมด้ไม่ใช่ท่านเฉยเฉยตลอดศกอย่างนั้นพุทธรูปจะดีกว่าพุทธเจ้าครับเพราะว่าท่านพุทธรูปยิ้มก็ยิ้มอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติ เมื่อเราสอนสาวกสาวกไม่ปฏิบัติตามเราไม่ชอบท่านว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่หวั่นไหวด้วยนั้แสดงในตัวมนุษย์นี่ครับแม้มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดก็ยังมีสิ่งที่อารมณ์แต่ท่านอยู่เหนืออารมณ์เวทนามีหลายอย่างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราท่จริสุขทุกทุกข์มัสุขแต่อีกสองอย่างคือโสมนัสโทมณัส โสมนัสคือความรู้สึกที่เกิดภาวะที่ใจดีขึ้นมาสุมนัตต์นั่นเองครับโทมนัตคือทุสมนัตใจไม่คดีคือใจเสียขึ้นมาอันนี้โทมนัตเป็นเป็นประเภทความทุกโสมนัสเป็นประเภทสุขแต่ไม่ใช่สุขอย่างแข็งกล้าสุขน้อยๆครับดังนั้นพระเจ้าในทรงชื่นชมโสมนัสกับสาวกซึ่งปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำ ดังนั้นเพิ่งบอกว่าเมื่อเรามีความสุขให้สุขเฉยๆสมมติปฏิบัติธรรมะไปมันเกิดปิครก็ปิติเฉยๆอย่าไปโอ้โหเนื้อเต้นกันมาสงสัยตัวเองจะเหาะได้หรือวิเศษกว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่เฉยครับเป็นปฏิกิยาทางจิตแล้วก็มันปรุงแต่งประหญ่เลยเมื่อใครมาด่าเราก็รู้สึกหอเหี่ครับไม่ชอบแต่วไม่ชอบเฉยๆเข้าใจไห ดังนั้นคนที่ไม่ชอบเฉยเฉยหรือว่าชื่นใจก็ชื่นใจเฉยเฉยไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรสืบสาวราวเรื่องคนเช่นนี้ครับจะค่อยๆมีชีวิตที่หดสั้นข้ามาสั้นข้ามาทุกทีชีวิตก็ปรากฏโดดเด่นในปัจจุบันนะครับและที่ตรงนี้เองที่มันจะถอนลากปัญหาคนนี่พอใครชมนิดก็ดีใจเนื้อเต้นทั้งวัน อย่างนี้แสดงคนที่แย่มา ก, มากๆครับคืออารมณ์ยึดถือมากๆในทำนองตรงข้ามเพราะเขาติคำเดียวนี่เสียใจไปทั้งวันความยึดถือหมายถึงอาการที่ผูกพันคัสมมติเรามีลูกมีปัญยามีสา ม, มีเรารักจะลักเฉยๆฟังห อ, อไหมตลกดีผมพูดคำก็รักลูกก็ลักเฉยๆนี่แหละ คราวนึงผมไปเยี่ยมญาติครับเป็นป้าสามีแกนอนปวดท้องแกนั่งหัวล้ออยู่ที่แกแกดูแลนะดูแลปรนนิ่มบาแต่แกหัวล้อแล้วพอผมถามมันเป็นอะไรแกหัวล้อก็บอกใกล้จะตายแล้วนี่พูดอย่างนี้ ม, มันจะตายแล้ว <laughs> ไม่ใช่ว่าแกไม่รักนะแต่ว่าแกรักเฉยๆเท่านั้นเอง <c oughs> ส่วนสามีแกนอนนั้น แกก็ไม่โกรธเพราะรู้ดีว่าพัญญาปรนิบัติมาตลอดชีวิตแต่เขาม่ได้ยึดถือครับผมสังเกต ด, ดูนะดัง น, นั้นระหว่างความรักกับความยึดติดคนละตัวครับดูมืนวความรักแสดงออกในชั้นเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรมผมบอกแล้วนะมนโนกตินั้นจะค้นพบภายใต้รูปธรรมเท่านั้นความรักเป็นมนโนกติอันหนึง่ง เมารักใครเราคิดถึงเขาจริงเลยครับหรือถ้าเราเกลียดใครเราคิดถึงเขาเหมือนกันในแง่ลบอนั้นความรักความเกลียดเป็นมนโนกติแต่ว่ามนโนกติลอยๆนั้นยังใช้ไม่ได้ครับจนกว่ามันจะผลักดันมาเป็นรู ป, ปธรรมเช่นการช่วยเหลือเกือ้อกูลเมตตานี่เป็นอุดมกตินะครับแต่กรุณานั้นเป็นรู ป, ปธรรมเช่น เราอาจจะมีเมตตาคนทั่วไปเป็นมิตรแต่ว่าเราไม่ได้ทำ